ให้พระพิสุงสงฆ์สามเณรแพทย์และอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจงตั้งจิตตั้งใจเพื่อที่จะสร้างกุศลจงตั้งจิตตั้งใจเพื่อที่จะทำให้ตัวเอง มีค่าในเวลาที่เหลืออยู่สิ่งที่มีค่าที่สุดเนี่ยก็คือเวลาที่เราได้ใช้ไปเราได้ใช้เวลาทำอะไรไปบ้างในวันหนึ่งวันหนึ่งคือสิ่งที่มีค่าและอีกเวลาหนึ่งก็คือเวลาที่หมดไปเวลาที่เราไม่ได้ใช้เนี่ย มันก็หมดไปวันหนึ่งโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรการที่เราจะทําความดีเนี่ยมันทํายากการที่จะทําความดีเนี่ยมันต้องมีอุปสรรคมันต้องมีปัญหาต่างๆนานาที่เข้ามากระทบแต่สิ่งที่ เราทำความดีไม่ได้เนี่ยก็มีอยู่อย่างเดียวถ้าเรามีความขี้เกียจเนี่ยเราทำความดีไม่ได้แน่นอนเพราะความขี้เกียจเนี่ยมันทำให้เราไม่ถึงความดีพอเรามีความขี้เกียจเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยความดีเราก็จะหายไปเมื่อ น, นั้นเปรียบเสมือนพระพิสุสงเนี่ยพอได้บวชเข้ามาเนี่ย แรกๆ ก, ก็ขยันพอนานไปนานไปก็เริ่มจะขี้เกียจพอขี้เกียจเนี่ยความดีมันก็ไม่เกิดเลยมันมีแต่ความไม่ดีทั้งนั้นที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความขี้เกียจมันมาขัดขวางให้ไม่ให้เราทำความดีมันก็เลยไม่เกิดความดีขึ้นพอเราเกิดความขี้เกียจมากๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ดีอะไรเลย เราใช้ชีวิตผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งมันก็หมดไปโดยที่เป่าประโยชน์โดยให้ความขี้เกียจเนี่ยมันคอยมาขัดขวางมันคอยมาบังคับใจเราอยู่ตลอดเวลาทำไมเราไม่ให้ความดีเราเกิดขึ้นกับตัวเราเองทำไมเราไม่ใช้ความขยันเราขยันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ย มันต้องเกิดความดีขึ้นกับตัวเราเองแน่นอนแต่ในขณะนี้เนี่ยเราปฏิบัติแล้วเราไม่ได้พิจารณาปฏิบัติแล้วเราก็ยังไม่เห็นปฏิบัติแล้วเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีเรายังแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีหรืออะไรชั่วฉันใดข้อฉันนั้น ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราเป็นเหล่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราเป็นผู้ถือศีลเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค์แต่พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค์เนี่ยบางรูปก็ยังไม่เข้าใจ โยมบางท่านก็ยังเข้าไม่ถึงว่าธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยวางไว้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติปฏิบตัติตามอย่างไรองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าทำไมถึงเปรียบไว้อย่างนั้นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรุในธรรมตัดสรุ และก็รู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระองค์เองและเราพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นสาวกของสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็สั่งสอนให้ผู้อื่นรู้ตามเพื่อให้ผู้อื่นได้ประพฤติปฏิบัติไม่ตกไปในที่ชั่ว ขนาดนี้เนี่ยเราเข้าใจในพระธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหนเราปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้มากน้อยแค่ไหนเราต้องเข้าใจเราต้องพิจารณาว่าในปัจจุบันเนี่ยเรากําลังปฏิบัติอะไรอยู่เรากําลังปฏิบัติอย่างไรอยู่ ในขณะปัจจุบันนี้เนี่ยเรากำลังปฏิบัติเพื่อทำร้ายตัวเองอยู่ปฏิบัติไปเพื่อไม่รู้ในความเป็นไปของตัวเองอยู่ทำไมองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเปรียบเสมือนเป็นเนื้อนาบุญของโลกทำไมถึงเปรียบไว้ได้อย่างอัศจรรย์ขนาดนั้น องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้เห็นได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในศาสตร์ในศิลป์ต่างๆองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสัตว์หมดแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เปรียบเสมือนผืนนาผืนใหญ่ผืนหนึ่งที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้วานมเมล็ดไว้ ได้หวานพืชไว้ในนาในผืนดินหวานพืชไว้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เมล็ดข้าวเนี่ยมันงอกขึ้นมาแต่ก่อนที่จะเป็นนาสักผืนหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีคนงานพระพิสุสงฆ์เนี่ยก็เปรียบเสมือนคนงานที่องคนงานของอ ง, องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า คนงานต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำนานาผืนนี้เนี่ยเป็นผืนที่ใหญ่ต้องใช้คนงานจำนวนมากถ้ามีคนงานน้อยเนี่ยนาก็จะไม่สมบูรณ์กว่าที่จะปลูกข้าวได้เนี่ยกว่าที่ข้าวจะงอกได้ขึ้นมาแต่ละต้นกว่ า, มาเมล็ดข้าวเนี่ยจะงอกขึ้นมาได้เนี่ย บางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนาผืนนี้เนี่ยคนงานก็ต้องเตรียมตั้งแต่ไถดินไถดินเนี่ยต้องไถไม่รู้กี่รอบต้องไถไม่รู้กี่ครั้งกว่าดินเนี่ยมันจะได้ที่เมื่อเราไถดินแล้วเนี่ยเราก็ต้องปล่อยน้ำเข้าไป เข้าไปในผืนนาผืนนี้เนี่ยแต่น้าที่เราปล่อยเข้าไปเนี่ยมันมีน้ำอะไรที่เราปล่อยเข้าไปในนาถ้าเราปล่อยน้ำจิตน้ำใจเข้าไปในนาเนี่ยมันก็จะทำให้ต้นข้าวเนี่ยสามารถเจริญงอกงามได้ถ้าเราปล่อยน้ำพักน้ำแรงเข้าไปในนาเนี่ยด้วยความขยันขันแข่งที่เราลงมือช่วยกันทํานาเนี่ย ข้าวก็จะโตขึ้นมาได้ถ้าเราปล่อยน้ำปากน้ำคำเข้าไปเนี่ยมันก็ยังทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามขึ้นมาได้ช่วยกันดูแลช่วยกันปรึกษาหารือหหหเพื่อที่จะทำยังไงให้ข้าวมันเจริญเติบโตขึ้นมาได้แต่ถ้าเราปล่อยน้ำเน่าเข้าไปล่ะถ้าเราปล่อยน้ำเสียเข้าไปล่ะ น้ำเน่าคือสิ่งสกรปรกโสโ ค, โครที่มันอยู่ภายใต้ของใจเราน้ำเสียก็คือสิ่งที่สกรปรกเช่นเดียวกันมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สวยงามน้ำเน่าน้ำเสียเนี่ยเราปล่อยเข้าไปก็มีแต่ทำให้ต้นข้าวจะตายเราคิดว่ามันเป็นน้ำแต่มันเป็นน้ำที่ไม่ดี ก็เปรียบเสมือนน้าจิตน้าใจของคนไงถ้าเรามีน้าจิตน้าใจต่อกันเนี่ยเราก็จะสามารถทำนาได้ดีแต่ถ้าเราปล่อยน้ำเน่าน้ำเสียเข้าไปเนี่ยไอ้น้ำเน่าน้ำเสียเนี่ยก็คือน้ำที่เกิดมาจากอารมณ์ที่เกิดมาจากใจของเราอารมณ์ที่มันเสียเนี่ยมันก็กันออกมาเป็นน้ำเสียอารมณ์ที่มันเน่าเนี่ยมันก็กันออกมาเป็นน้าเน่า เราปล่อยเข้าไปในานาเนี่ยข้าวที่เราหว่านไว้มันก็คงตายมันก็ไม่สามารถงอกเงยขึ้นมาได้เมื่อข้าวมันไม่สามารถงอกเงยขึ้นมาได้เนี่ยมันก็เติบโตไม่ได้เพราะนั้นต้องพิจารณาว่ากว่าที่เราจะทำนาได้กว่าที่เราจะปลูกข้าวได้เนี่ย มเมล็ดข้าวเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็มีหลายชนิดมีหลายพันมเมล็ดข้าวแต่ละชนิดแต่ละพันเนี่ยมันก็จัดย่อมแตกต่างกันไปโดยที่เราก็ไม่สามารถดูได้เพราะมันปะปนกันมาเยอะแยะมากมายมะมะเมื่อเมล็ดข้าวมันมีหลายพันมีหลายชนิดเนี่ยการเจริญเติบโตของมเมล็ดข้าวเนี่ยมันก็ไม่เท่ากัน เื่อการเจริญเติบโตของเม็ดข้าวมันไม่เท่ากันเนี่ยบางเม็ดมันก็โตวไวบางเม็ดมันก็โตช้าบางเม็ดมันก็ไม่โตเลยบางเม็ดมันก็ตายไปเลยก็มีโดยที่ไม่โตโดยที่ไม่งอกบางมเมล็ดก็ตายไปเลยมันใช้งานไม่ได้เพราะมันเป็นมเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์มันไม่สามารถงอกลาก ขึ้นเป็นต้นข้าวได้แน่นอนก็เปรียบเสมือนพระพิสุสง์เนี่ยพระพิสุสง์ก็มาจากหลายที่มาจากหลายพันธ์เช่นเดียวกันแต่ละรูปแต่ละองค์เนี่ยก็จะย่อมแตกต่างกันไปรูปไหนมีความขยันมากก็จะทำได้มากก็จะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองทำได้มาก ลูกไหนขี้เกียจทำได้น้อยก็จะไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ทุกคนกำลังทำอยู่ก็ถือว่าพลาดโอกาสไปการที่เราจะลงทุนการที่เราจะลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันต้องใช้เวลาของตัวเองให้คุ้มเมื่อมเมล็ดข้าวได้หวานลงแล้วเนี่ยก็ต้องมีคนที่คอยดูแล คนงานที่คอยดูแลเนี่ยเพื่อไม่ให้มะเรงมันมากัดกินต้นข้าวหลวงพ่อเนี่ยก็เปรียบเสมือนหัวหน้าคนงานที่จะต้องดูแลคนงานทุกคนที่มาทำนาก็พยายามบอกพยายามแนะนำพยายามชี้ให้เห็นว่าต้องทำอย่างนี้นะต้องทำอย่างนั้นนะพยายามขัดเก่าพยายามขัดกลมอยู่ทุกวัน พยายามบอกเพื่อที่จะต้องการให้ต้นข้าวเนี่ยมันสมบูรณ์พยายามบอกเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ลงมือทำแล้วเนี่ยให้เห็นผลของการกระทาให้เห็นผลในสิ่งที่เราได้ทำอยู่ในแต่ละวันในแต่ละวันการที่เราได้ปลูกข้าวก็เช่นเดียวกันกว่าที่ข้าวจะงอกงามออกรวงออกเม็ดได้สมบูรณ์ได้เนี่ย มันก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่น้อยใช้เวลาถึงสเดือนกว่าที่เราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตของข้าวเพื่อที่ให้มาเป็นประโยชน์กับตัวเองและเป็นประโยชน์กับผู้อื่นได้เนี่ยต้องใช้เวลาตั้งสมเดือนเมื่อเราได้ดูแลเอาใจใส่ต้นข้าวแล้วหัวหน้าคนงานก็ต้องสั่งสั่งผู้ที่ เป็นมนุษย์ให้ทำและสั่งสิ่งที่เป็นสัตว์เดรัจฉานให้ทำเราก็ต้องใช้กำลังของสัตว์เดรัจฉานเราก็ต้องใช้ควายไถายนาถ้าเราไม่ใช้ควายไถายนาเนี่ยใช้กำลังคนเนี่ยกำลังของคนก็คงทำไม่ไหวทำไมเวลาเราทำงานหนักๆเนี่ย ชีวิตของมนุษย์ยังต้องไปเบียดสัตว์เดรัจฉานเลยไปเบียดเบียนเพื่อให้สัตว์เดรัจฉานเนี่ยใช้กําลังอย่างเดียวเพื่อที่จะทํางานหนักแต่ผู้ที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็ใช้กําลังเหมือนกันใช้กําลังทํางานที่เบาที่สุดโดยที่ไม่คิดว่าจะทํางานหนักให้กับตัวเราเอง เราก็ใช้วัวใช้ควายไปตีวัวบ้างตีควายบ้างเพื่อกระทบคาดให้วัวเนี่ยมันรู้เพื่อให้ควายเนี่ยมันรู้ให้ควายมันกลัวว่าตอนนี้เนี่ยวัวมันถูกตีแล้วแต่ควายมันรู้สึกแล้วควายเนี่ยพอมันรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องทําหน้าที่ของควายเพื่อที่จะไถนานาผืนนี้เนี่ยถ้าไม่มีควายเนี่ยถ้าให้ <con> ผู้ที่เป็นมนุษย์ธ ร, รเนี่ยก็ทำไม่ได้ถึงสัตว์เดรัจฉานที่เป็นควายปัจจุบันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้แล้วเขาใช้ควายเหล็กทํานาก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นในการทํานามแต่ฉันใดก็ฉันนั้นนาผืนนี้เนี่ยก็ยังใช้เวลาอีกนานกว่าที่ข้าวจะโต เราก็ต้องช่วยกันดูแลต่อไปว่าเราจะทำนาอย่างไงให้ข้าวเนี่ยมันเติบโตและเจริญงอกงามขึ้นมาได้เปรียบเช่นเหมือนกับพระพิสุสง์ก็เช่นเดียวกันพอเราบวชเข้ามาเป็นพระเนี่ยใหม่ๆก็ยังมีความรู้สึกที่คิดว่ามันน่าตื่นเต้นมันน่าค้นหามันน่าเรียนรู้ คนเราเนี่ยใช้เวลาในการประพฤติปฏิบัติใช้เวลาในการทำตัวเองเนี่ยได้ไม่นานในเรื่องของการเรียนรู้พกคนเนี่ยได้รู้สิ่งไหนติดต่อกันหลายๆวันเนี่ยนิสัยของคนก็เริ่มเบื่อแล้วนิสัยของคนก็เริ่มไม่อยากรู้แล้วไม่อยากเห็นแล้วไม่อยากทำมันเป็นเรื่องปกตินะมันเป็นเรื่องปกติของใจ มันเป็นเรื่องปกติของการกระทำในแต่ละคนซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ผิดเลยเพราะมันเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่มันควรจะเกิดพอคนเราได้เห็นอะไรมากๆกเนี่ยก็ไม่อยากเห็นพอได้ยินอะไรมากๆก็ไม่อยากได้ยินพอได้ทำอะไรมากๆก็ไม่อยาก เป็นพ่ออะไรเป็นพราะเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตัวเองต้องทำทำซ้ํซ้ํซากซากทำย่ำย่ำทุกวันมันก็เกิดความเบื่อหน่ายเปรียบเสมือนการที่เรากินอาหารก็เหมือนกันให้เรากินอาหารซ้ํซ้ำซากซากทุกวนันเราก็ไม่อยากจะ ก, กินให้เราฟังคำบ่นอยู่ทุกวันเราก็ไม่อยากจะฟังมันเป็นอย่างนั้น เมื่อเราประพฤติปฏิบัติเราไม่พิจารณาให้ดีๆเนี่ยเราคิดว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยเราปฏิบัติได้ดีแล้วเราอย่าพึ่งไปเข้าข้างตัวเองอย่าพึ่งไปหลงตัวเองเลย<ม>เรายัางไม่รู้เลยว่าเราจะเป็นดินหรือเราจะเป็นน้ําหรือเราจะเป็นวัวหรือเราจะเป็นควาย คือเราจะเป็นปุ๋ยที่ดีที่จะใส่ไปในนาข้าวเพื่อให้ต้นข้าวเนี้ยได้เติบโตและอุดมสมบูรณ์เราจะเป็นอะไรเราก็ลองพิจารณาไปแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นมนุษย์ที่แสนประเสริฐเนี้ยเราก็ลองพิจารณาไปถึงตัวเราเองพิจารณาในการกระทําของตัวเราเองให้ดีเสียก่อนกว่าที่เรา จะเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐแต่เราไม่เข้าใจหรอกว่ามนุษย์ที่ประเสริฐเนี่ยกะวัวกับควายที่มันทนานาเนี่ยก็ลองเปรียบเทียบว่าถ้าเปรียบเทียบคนกับควายเนี่ยอะไรจะโง่กว่ากันแต่ทุกคนก็น่าจะมีคำตอบในใจอยู่แล้วว่าควายมันต้องโง่กว่าคนแน่นอนแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย มนุษย์เนี่ยเกิดมาจากดินเกิดมาจากธรรมชาติวัวและควายก็เช่นเดียวกันก็เกิดมาจากดินจากธรรมชาติเช่นเดียวกันธรรมชาติเนี่ยสร้างให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดมาแต่ก็ต้องมาพิจารณาว่าทำไมเนี่ยควายมันถึงฉลาดกว่าคนทำไมคนถึงโง่กว่าควาย เราก็ลองพิจารณาว่าควายเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันทำงานกี่ชั่วโมงควายวันหนึ่งเนี่ยเขาก็จูงมันเข้าไปในน้มันทำงานสักสองชั่วโมงสาชั่วโมงเนี่ยควายเนี่ยเมื่องานเสร็จควายก็ได้พักผ่อนแล้วได้ลงอาบน้าได้กินหญ้าแล้วก็เข้าที่นอนเจ้าของควายก็จุดไข่เพื่อที่จะให้ควายมันได้นอนได้หลับไม่ให้ยุงกัด แต่มนุษย์เนี่ยทำงานเนี่ยทั้งวันหามลุ่งหามค่ำเวลากินก็ไม่ได้กินเวลานอนก็ไม่ได้นอนนี่แค่เรื่องเดียวเนี่ยกย็ให้เห็นแล้วว่ามนุษย์เนี่ยมันโง่กว่าควายอีกหลายเท่าก็เราลงพิจารณาไปต่อว่าควายเนี่ยมันกินอะไรควายเนี่ยมันกินแต่หญ้า มันกินหญ้าอย่างเดียวให้เอาข้าวไปให้ควายกินควายมันก็ไม่กินให้เอาเนื้อสัตว์เอาสิ่งดีๆไปให้ควายกินมันก็ไม่กินคนน่ะลองเปรียบเทียบคนคนกินอะไรบ้างกินสารพัดสัตว์เลยกุ้งหอยปูปลากินหมดหมูเห็ดเป็ดไก่ก็กินเข้าไปหมดผักแทบทุกอย่างแทบทุกชนิดคนก็กินเข้าไปหมด เราลองพิจารณาที่ว่าคนกินไปสักขนาดนั้นว่าคนกินเข้าไปมากเข้าเนี่ยกรรมเนี่ยมันก็ไปอยู่ที่คนกินเราต้องประหัดประหารสิ่งที่มีชีวิตอยู่ทุกวันทุกวันกินเข้าไปทังโถงเข้าไปให้ใจเราให้กายเราแต่ควายเนี่ยมันกินแต่หญ้าก็าพิจารณาว่าคนกับควายเนี่ยอะไรที่โง่กว่ากัน คนเนี่ยก็มีโอกาสมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์มีความสามารถมีสติปัญญาที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆได้มากกว่าควายแน่นอนยังมีโอกาสได้สวดบนยังมีโอกาสได้ทำวัดยังมีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีมีสติแยกแยะออกรู้ผิดรู้ชั่วรู้ชอบชั่วดีคนเนี่ยสามารถรับรู้ได้อย่างนี้แต่ควายเนี่ยรับรู้อะไรได้บ้าง ควายเนี่ยแทบจะไม่ได้สร้างกรรมอะไรเลยเพราะกินแต่หญ้าเนื้อหมูเนื้อเห็ดเนื้อเป็ดเนื้อไก่ควายก็ไม่ได้กินได้เราลองพิจารณาสิว่าคนกับควายเนี่ยอะไรที่โง่กว่ากัน เมื่อฟวายมันหมดหน้าที่ของมันเนี่ยมันก็ได้พักผ่อนมันก็เตรียมพร้อมเพื่อที่จะทำงานในวันต่อไปแต่ชีวิตของคนชีวิตของมนุษย์เนี่ยวันวันแทบจะไม่ได้หยุดเลยวันวันแทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยแม้กระทั่งขี้ของคนก็เช่นเดียวกันขี้ของคนเนี่ยลองเอาไปวางลองเอาไปทิ้งเนี่ยใครจะเอา ทุกคนก็รังเกียจทุกคนก็ไม่ต้องการไม่มีความปรารถนาแต่ขี้ขกควายลนะ่ะเอาไปกองไว้บ้านใครเนี่ยบ้านนั้นก็คงจะต้องเก็บไว้เพราะสามารถเอาไปเป็นปุ๋ยให้กับ ที่จะใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ต่อไปในขี้วัวขี้ควายเนี่ยทุกคนต้องการไปใส่ต้นไม้บ้างเพื่อให้ต้นไม้มันจะเดินเติบโตทําไมขี้ควายถึงมีค่ามากกว่าขี้ของคนพวกควายเนี่ยมันกินแต่ยา้มันเป็นปุ๋ยธรรมชาติที่ควายเนี่ยมันสร้างขึ้นมาให้เราใช้แต่ขี้ของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ เพราะมันกินทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งสารสัตว์หรือผักต่างๆชุกชงนิดคนก็กินเข้าไปแล้วเราลองพิจารณาว่าคนกี้วายเนี่ยอะไรที่มีโอกาสมากกว่ากันที่จะประพฤติปฏิบัติที่จะสามารถฟังนนธรรมได้สวดมนต์ทำวัดได้เนี่ยคนเนี่ยทำได้สามารถถือศีลได้เนี่ยคนทำได้ คนทำได้ฉลาดมากกว่าควายแน่นอนเพราะคนเนี่ยสามารถมีสติรับรู้และก็ลงมือทำในสิ่งที่ถูกในสิ่งที่ผิดได้ในแต่ละวันแต่ควายละ่ะควายไม่สามารถทำอะไรได้เลยควายถือศีลก็ไม่ได้อยากจะฟังธรรมก็ฟังไม่ได้อยากจะประพฤติปฏิบัติเหมือนมนุษย์เหมือนคนก็ทาไม่ได้ แล้วเราลองพิจารณาดูสิว่าคนกับควายเนี่ยอะไรจะงอกกว่ากันเพราะนั้นผู้ ป, ปฏิบัติธรรมทั้งหลายสิ่งที่เราได้ทำในแต่ละวันในแต่ละวันเนี่ยมันจะไม่เสียเปล่ามันจะไม่สูญเปล่าเลยมันจะมีค่าที่สุด ในเวลาที่เราได้ใช้และมันก็จะมีค่าที่สุดในเวลาที่เราไม่ได้ใช้เช่นกันพอเราไม่ได้ใช้เวลาเนี่ยมันก็หมดไปวันหนึ่งเวลาที่เราใช้มันก็หมดเช่นเดียวกันผ่านไปวันหนึ่งก็พยายามพิจารณาให้ดีๆพยายามตั้งใจทําในสิ่งที่เราต้องทํา อาจจะมีขี้เกียจบ้างบางวันก็ไม่เป็นไรแต่ก็อย่างที่ได้บอกไปว่าความขี้เกียจเนี่ยมันไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นมาแน่นอนความขี้เกียจมันเป็นสิ่งที่คอยขัดฝังความดีเราเราต้องจำไว้พอเราขี้เกียจปุ๊บเนี่ยความดีเราก็จะหายไปทันทีเพราะเราไม่ได้ทําแน่นอนในความดี เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เพื่อให้พระพิสุงสงฆ์และสัมมนเนนแม่ชีและอุบาสิกาได้เก็บไปคิดพิจารณาเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในวันต่อไปก็ไปคิด นาผืนนี้เนี่ยเราจะปลูกข้าวยังไงให้มันสมบูรณ์เราจะทำยังไงให้มเมล็ดข้าวเนี่ยมันโตให้มันมีค่าในคุณค่าของข้าวมากที่สุดก็นิมนต์ค่อยๆลืมตาออกจากสมาธิเพื่อที่จะได้กดน้ำพร้อมกับพระพิสุสงอีกครั้งหนึ่งนิมนต์ครับ